จเจริญพรท่านผู้จเจริญผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่หกกนยายนพุทธศักราช2545ตรงกับวันแรม14ค่งเดือนเก้าเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรนระวันฟังธรรม พวกเราจึงได้มาที่วัดกันเพื่อประกอบคุณงามความดีทำบุญใส่บาตรสมาทานศีลฟังเทศธรรมมกันอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเทศธรรมรมนั้นเป็นการเติมแสงสว่างให้กับชีวิตชีวิตของปุถุชนอย่างเราอย่างท่านนั้น ยังเป็นชีวิตที่มีความเลื่อมลอยู่เพราะมีอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงครอบงาอยู่จึง ท, ทำให้เรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องคือไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงต่างกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมโมปีโปคือแสงสว่างแห่งธรรม ภายในใจของท่านจึงไม่มีความมืดบอดหลงเหลืออยู่เลย<ม>เพราะท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนชำระคววิชาความไม่รู้โมหะความหลงให้หมดไปหมดสิ้นไปจากจิตจากใจจิตใจของท่านจึงเป็นจิตใจที่มีแต่ความสว่างสวยัย<ม>เป็นผู้ตื่น<ม>เป็นผู้เบิกบานรู้เห็นตามสภาพ ความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องมาสัมผัสกับใจท่านจึงเป็นผู้ที่สิ้นทุกข์สิ้นสิ้นเพราะท่านได้ปล่อยวางแล้วด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่ที่จิตมาเกี่ยวข้องด้วยนั้นร้วนเป็นตายรักทั้งสิ้นคือเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยมทุกข เป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดอนัตตาปราศจากตัวตนนี่คือสิ่งที่ท่านเห็นและเป็นสิ่งที่ต่างกับจากพวกเราเห็นพวกเรายังจะเห็นสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องได้ด้วยว่าเป็นนิจจังคือเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสุขขังคือเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเป็นอัตตา เคยเป็นมีตัวตนอยู่ในนั้นนี่เป็นความเห็นที่ตรงกันข้ามกับความเห็นของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายดังนั้นชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราไปยึดไปติดอยู่กับกองทุกข์นั่นเองคือกองไตรลักษณ์มีอนิจจังทุกขังอนัตตา และวิธีเดียวเท่านั้นที่พวกเราจะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกนี้ได้ก็คือเราต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับเราถ้าเราปฏิบัติตามแบบอย่างที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมามีธรรมโมปรีโป ป, ปที่แผงธรรมขึ้นมาภายในจิตใจ และเมอเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะปล่อยวางได้ <c oughs> เมื่อปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับอันใดทั้งสิ้นดังนั้นหน้าที่ของเราจึงก็คือต้องศึกษามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เสมอแล้วนาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น สิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราศึกษาอยู่อย่างเสมอก็มีอยู่สประการด้วยกันคือให้ศึกษากายให้ศึกษาเวทนาความรู้สึกให้ศึกษาจิตคืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตและให้ศึกษาธรรมคือสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏขึ้นทั้งภายนอกและภายใน ศึกษาให้เห็นว่าเหล่านี้ร้วนเป็นใจรักทั้งสิ้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการปฏิบัติการศึกษานี้ต้องศึกษาในชีวิตของเราในไม่ได้ศึกษาในห้องเรียนหรือเวลาที่เรามาที่วัดเท่านั้นแต่ห้องเรียนของเราที่แท้จริงก็คือชีวิตของเราตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาที่เราหลับไป เวลาที่เราตื่นนั้นเราควรที่จะมาสติสติดูดูกายกับใจเราอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่อย่างตลอดเวลาและดูให้ถูกคืออย่าไปดูว่ามีตัวตนในกายในใจอย่าไปดูว่า <c oughs> เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปดูว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่จะต้องมองตรงกันข้ามกันเพราะความจริงมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นของไม่เที่ยง เป็นของไม่มีตัวตนถ้าไปยึดไปติดก็จะต้องทุก์กับสิ่งนั้นๆันน้ดังนั้นเราควรที่จะมีสติดูกายกระจายเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าที่เราเตื่นขึ้นมาเลยขอให้เรามีสติดูรู้อยู่ที่กายของเราเพราะสิ่งแรกที่เราจะทำเมื่อเราเตื่นขึ้นมาก็คือเราจะลุกขึ้นเพื่อที่จะไปทำภารกิจต่างๆ เราก็ขอให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของกายของเราตั้งแต่ลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินและลุกขึ้นไปทำภารกิจอะไรต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพขอให้เรามีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการทำงานของกายอย่าให้ใจคลาดเคลื่อนไปห่างไปจากกายจากกายเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เหรือเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่มาในอนาคตใ ห, ให้รู้อยู่กับกับกายของเรานี้และใจของเราภายในใจของเราก็จะมีเวทนามีอารมณ์ต่างๆมีสภาวะธรรมต่างๆปรากฏขึ้นมาถ้าเรามีสติดูดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ดูแลปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดรู้เขาตามสภาพความเป็นจริง เวลาเขาแสดงอะไรขึ้นมาก็ให้รู้อย่าไปเกิดอารมณยินดียินร้ายกับมันเพราะในใจของเราในจิตของเรานั้นจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางวันเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกซึมซ้อยเศร้าซ้อยหงอยเหงาก็ทำความรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งมันไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาปรากฏขึ้นมาแต่เมื่อถึงเวลาเหตุปัจจัยนั้นหมดไปเขาก็จะเสื่อมไปตามธรรมดาเราไม่ต้องมีอาการยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเราเกิดมีอาการยินดียินร้ายเข้าใจของเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็จะมีความ ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจวันไหนอารมณ์ดีเราก็มีความสดชื่นโบิกบานแล้วก็อยากจะให้อารมณ์ดีนี้อยู่กับเราไปตลอดเมื่ออารมณ์ดีนี้เสื่อมไปหมดไปเราก็จะเกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกลับคืนมาอีกแต่ถ้าเราเพียงแ ส, สักแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงของเขาว่าเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ให้รู้ว่าเป็นอารมณ์เป็นเหมือนกับเมฆ ที่ลอยมาในท้องฟ้ามาผ่านมาปกปิดแสงอาทิตย์แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันก็ผ่านไปแสงอาทิตย์ก็กลับสว่างสวายขึ้นมาอีกใจของเราก็เช่นกันใจของเราจะมีอารมณ์ต่างผ่าผันเปลี่ยนกันลอยไปลอยมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติแล้วใจของเราจะกลิ้งไปแกว่งไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าอารมณ์ไม่ดีก็แกว่งหนี ถ้าอารมณ์ดีก็แกว่งเข้าหาใจเลยไม่นิ่งใจไม่เป็นอุเบกขาใจก็เลยมีแต่ความว้าวุ่นขุนวัวไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ถ้าเรามีสติมีปรรัญญาดูให้เห็นว่าอารมณ์ต่างๆนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิน้นมีการมาแล้วในที่สุดก็จะมีการไปเช่นวันนี้ตื่นขึ้นมามีอารมณ์รู้สึกหงุดหงิด มีความขุ่นมัวมีความเศร้าหมองก็ตั้งสติบอกกับตัวเราว่านี่เป็นเพียงแต่อารมณ์นะใจผู้รู้ก็ขอให้รู้ตามความเป็นจริงของเขาแต่เราไม่ต้องให้อารมณ์มนี้มาเป็นตัวชักนำให้เราเสียเสียหลักเสียงานเสียกายเรามีหน้าที่เราจะต้องทำอะไรถ้าร่างกายเรายังเป็นปกติอยู่ถึงแม้ว่าใจไม่อยากจะทา เราก็อย่าไปสนใจกับความรู้สึ ก, ก น, นั้นเราก็ดำเนินชีวิตของเราไปตามปกติเหมือนกับทุกๆวันที่เราเคยดำเนินถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องไปทำงานทำการเราก็อาบน้ออกท่ากินข้าวใส่เสื้อผ้าแต่งตัวแล้วเราก็ไปทำงานของเราอย่าไปสนใจกับอารมณ์นั้นเพราะว่าถ้าเราไปเริ่มสนใจแล้วอารมณ์นั้นมันจะชักพาให้เราไปเสียงานเสียการได้ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น เพียงแต่รู้ไว้เท่านั้นว่าวันนี้มีอารมณ์ไม่ดีอยู่ภายในใจแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังในการแสดงออกทางกายทางกิริยาวาจาเพราะเวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีเวลาเราเห็นอะไรนักจะเกิดความไม่พออกพอใจขึ้นมาได้ง่ายแล้วถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมดูการแสดงออกของกิริยาอาการของกายและวาจาแล้ว เดี๋ยวเราก็อดไม่ได้ที่จะไปพูดไม่ดีกระทาในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติเราก็พยายามสำรวมไว้ให้มากๆถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดกับใครถ้าจําเป็นก็พยายามยิ้มไว้แผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นเหมือนกับวันที่เรามีความสุขมีความสดชื่นเบิก บ, บานสิ่งเหล่านี้เราสามารถควบคุมเราสามารถทําได้ ถ้าเราคอยดูใจเราคอยดูการเคลื่อนไหวของกายของวาจาเราแล้วชีวิตของเราก็จะดําเนินไปเป็นปกติถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นดีไม่ดีก็จะหายไปอย่างรวดเร็วไม่ไม่อยู่ไปนานแต่ถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์นั้นพยายามที่อยากจะให้อารมณ์นั้นมันหมดไปหายไปแทนที่มันจะหายไปมันกลับ จะอยู่นานกับอยู่กับเราไปอีกเพราะเราเป็นผู้ที่ดึงเขาไว้ด้วยการเข้าไปหมกมุ่นกับเขาไปพยายามที่จะไปเจ้าพี่เจ้าการจัดการกับเขาให้เขาหมดไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งและเมื่อไม่หมดไปมันก็ยิ่งสร้างความหงุดหงิดใจความไม่สบายใจสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นตามมาอีกนี่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เราไม่ต้องไปแก้อารมณ์อารมณ์นี้เป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปเรา ม, มีหน้าที่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ว่าอารมณ์เหล่านี้นั้นไม่มีตัวตนเป็นเป็นของที่ไม่เที่ยงถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราไปยุ่งกับเขาไปจัดการกับเขา อยากจะให้เขาเป็นไปดังที่เราปรารถนามันก็จะเกิดความว้าวุ่นขุ่นเหวอขึ้นมาเพราะอารมณ์นี้ถึงแม้จะอยู่ภายในใจเราก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับสภาวะธรรมที่ภายนอกกายกับใจเราเช่นแดดลมฝนฟ้าเหล่านี้ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งวั น, ว, นวันหนึ่งนี้อากาศมันจะไม่เป็นเหมือนกันทุกๆวันไปบางวันก็สดบางวันก็โป๊ มีแสงอาทิตย์ออกมาบางวันก็มืดครึ้มมีเมฆมีหมอกมีฝนสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยของเราที่เราจะไปทำอะไรกับเขาได้เราทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจเราให้เป็นปกติให้ว่างให้เป็นกลางฝนจะตกแดดจะออกเราก็รู้ตามความเป็นจริงของเขาแล้วมันก็ผ่านไป สันใดอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในใจเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอารมณ์ดีก็รู้ว่าเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าเป็นอารมณ์ไม่ดีเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธเวลารักก็รู้ว่ารักเวลาชังก็รู้ว่าชังเวลากลัวก็ให้รู้ว่ากลัวเวลาหลงก็ให้รู้ว่าหลงแล้วไม่ต้องไปหลงตามไม่ต้องไปรักตามไม่ต้องไปชังตามไม่ต้องไปโกรธตามไม่ต้องไปกลัวตาม เพียงแต่ให้รู้อยู่ด้วยความเป็นอุเบกขาเท่านั้นแล้วได้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปเรารู้ได้เพราะว่าในชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาเราก็มีอารมณ์อะไรต่างๆผ่านมาอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาเลยทีเดียวแต่เราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับอารมณ์เหล่านี้เท่านั้นเองเราจึงมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจกับอารมณ์เหล่านี้ ดังนั้นต่อไปนี้ขอให้เราฝึกตั้งสติไว้ดูอารมณ์ของเราเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น<ม>ก็ให้รู้ว่าเป็นอารมณ์เหมือนกับเมฆเหมือนกับฝนที่เราไปบังคับไปห้ามไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาตกลงมาหมดพลังของเขาหมดกำลังของเขามันก็หมดไปมันก็สลายไปอารมณ์ต่างๆก็เป็นแบบนั้น ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปชีวิตของเราจะดําเนินไปได้ด้วยความสงบไม่มีความวุ่นวายใจ <c oughs> นอกจากอารมณ์แล้วยังมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งสภาวะธรรมอีกสภาวะธรรมหนึ่งที่เราควรจะทาความรู้จักนั่นก็คือเวทนาความรู้สึก <c oughs> เวทนานี้ก็มีอยู่สามมีสุขเวทนาทุกเวทนา ไม่สุขไม่ทุกเวทนามีอยู่สามและแหล่งของเวทนานี้ก็มีอยู่สองแหล่งด้วยกันคือกายกับใจเวทนาที่เกิดจากทางกายเราก็เรียกว่ากายเวทนาเช่นเวลาเราได้รับประทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วเราก็มีความรู้สึกมีความสุขมีความสบายเวลาเราไม่ได้รับประทานอาหารแล้วเกิดความหิวขึ้นมา นี่ก็เป็นความทุกเวทนาทางกายเวทนาทางกายนี้บางสิ่งบางอย่างเราก็แก้ไขได้บางสิ่งบางอย่างหรือบางครั้งบางคราวเราก็แก้ไขไม่ได้อย่างเวลาเราหิวข้าวถ้ามีเรามีข้าวเราประทานเราก็ดับเวทนาที่เกิดจากความหิวข้าวได้ถ้าเรามีความหิวน้ำกระหายน้ำถ้าเรามีน้ำดื่มเราก็ดับเวทนาของ ที่เกิดจากความกระหายน้ำได้แต่เวทนาบางชนิดเราก็แก้ไม่ได้เช่นเวลาเราเดินไปแล้วไปเตะหินเข้ามันก็เกิดการเจ็บเท้าขึ้นมาหรือเรามีอาการเท้าแพลงเท้าเคล็ดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ตามร่างกายต่างๆเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากหายามารับประทาน แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เวทนานั้นหายไปได้ทันทีทันใดเราก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเวทนาเป็นเหมือนกับลมกับแดดกับฝนเหมือนกันถึงเวลาที่มีเหตุมีปัจจัยทำให้เวทนาทางกายนี้ปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องปรากฏขึ้นมาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีเป็นทุกเวทนาก็ดีหรือเป็น ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนากด็ดีมันก็เป็นสิ่งที่ปร า, า, า, ากฏขึ้นมาแล้วเมื่อเขาปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็อยากไปเกิดความรู้สึกไม่พอใจเพราะเวลาเราเกิดความไม่พอใจเราก็จะสร้างเวทนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าเวทนาทางใจคือทุกขเวทนาหรือทุกขที่เกิดจากตัณหาความความไม่อยากความไม่ชอบในสิ่งในเวทนาทางกายนั้น ถ้าเราทําใจให้นิ่งเฉยยอมรับเวทนาของกายที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นว่าอมันเจ็บแล้วก็ต้องเจ็บทํำยังไงได้เราไม่ใช่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเขาได้อย่างมากก็ได้แต่ไปหาหมอหรือไปกินยาแต่ถ้ามันยังไม่หายมันก็ยังไม่หายแต่เราไม่ต้องไปเกิดความทุกข์ใจซ้ําขึ้นมาอีกทุกหนึ่ง คือให้มันทุกอย่างเดียวก็พอให้มันทุกที่กายก็พออ ย, อย่าไปสร้างความทุกข์ที่ใจเกิดขึ้นมาด้วยความไม่อยากหรือด้วยความอยากที่จะให้ให้ทุกนั้นหายไปอย่างรวดเร็วทันตาเห็นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับลมกับแดดกับฝนนั่นแหละมันก็เป็นเหมือนกับอารมณ์กับอารมณ์ต่างๆที่ที่ได้พูดไว้เมื่อกี้นี้มันเป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นไตร ล, ลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาแต่มันจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ไปยึ์ไปติดกับเขาถ้าเราไม่ไปสร้างความอยากหรือไม่อยากกับเขาไม่ไปสร้างความยินดีนยินร้ายกับเขาเขาจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรก็ให้รับรู้ไว้ถ้าเราแก้ไขได้เราก็แก้ไขไปถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องยอมรับผ่านเป็นจริงเพราะ เพราะเวทนาทางกายนี้ไม่ช้าก็เร็วในที่สุดมันก็จะต้องแสดงฉากสุดท้ายของมันก็คือเวลาที่เราตายนั้นไม่มีใครจะช่วยเราได้ในขณะนั้นมีเราเท่านั้นที่เราจะช่วยเราได้ด้วยการปล่อยวางเพราะเราเข้าใจถึงเวทนาอันนี้ว่าถึงแม้ว่าร่างกายทั้งร่างกายนี้จะจะจะปวดร้าวไปจะทุกข์ทรมานไปขนาดไหนก็ตาม แต่ใจของเรานั้นไม่ต้องทุกธทรมานไปกับความปวดร้าวความเจ็บปวดของร่างกายเพราะเป็นคนละอันกันใจกับกายเป็นคนละอันกันถ้าเรามีปัญญาเราเข้าใจเราก็ปล่อยวางกายเวทนาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปตามเรื่องเขาใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็ปลอดภัยใจก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติเราไม่ทดสอบดู ถึงเวลาที่เกิดเวทนาอย่างนี้แล้วเราจะไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติกับมันเราจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> อย่างขณะที่เวลาเรานั่งสมาธิแล้วนั่งไปได้สักระยะหนึ่งก็จะเกิดอาการเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ขึ้นมานี่ก็คือกายเวทนาเราก็ต้องทำใจให้เราเป็นกลางอย่าไปสนใจ ถ้าเรามี <c oughs> กรรมฐานคือองค์ภาวนาที่ใช้เป็นเครื่องกากับใจก็ขอให้เราให้ความสนใจอยู่กับองค์ภาวนานั้นถ้าเราใช้พุทโธกใ็ให้ให้บริกรรมคาว่าพุทโธให้ถี่เข้าไปอย่าสนใจไปหาความเจ็บเวทนาทางกายปล่อยให้เวทนาทางกายเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสนใจแล้ว ใจของเราจะไม่เดือดร้อนเมื่อใจของเราไม่เดือดร้อนเราก็ยังสามารถนั่งอยู่ได้ต่อไปแต่ถ้าเราขาดสมาธิขาดสติไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับองค์ภาวนาคือให้อยู่กับพุทธโธแล้วส่งใจไปที่ความทุกข์นั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าโอ๊ยเจ็บหล้าเกินเจ็บหล้วเกิ น, กนอยากจะให้ความเจ็บนี้หายไป ถ้าเริ่มคิดอย่างนี้แล้วความเจ็บในใจจะเกิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความเจ็ดที่มีความรุนแรงมากกว่าความเจ็ดของร่างกายจนกระทั่งจะทําให้ไม่สามารถ <c oughs> ทําให้ไม่สามารถทนนั่งอยู่ต่อไปได้ <c oughs> ก็จะต้องลุกขึ้นมาการภาวนาก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเพราะจิตไม่สามารถปล่อยวางเวทนา อันนี้ได้จิตก็เลยไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะจิตจะสงบได้จิตจะต้องปล่อยวางจะต้องตรงอนิจจังนั่นเองตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาว่านี่แหละเวทนาที่ปรากฏอยู่นี้เขาก็เป็นอย่างนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้ก็คือใจของเราใจของเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไป นี่ก็คือวิธีการปฏิบัติกับกายเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาหรือถ้าเราอยากจะพิจารณาดูแยกแยะให้เห็นตามความเป็นจริงของเขาก็ได้ว่ากายก็เป็นอย่างหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งใจผู้รู้ก็เป็นอย่างหนึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นสิ่งคนละอันกันไม่มีอะไรเป็นอันหึงอันเดียวกัน แต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราจะมีอวิชชาความหลงมาหลอกให้เราว่ามีตัวตนอยู่ในสิ่งทั้งสามนี้ว่ากายก็มีเป็นตัวของเราใจผู้รู้ก็เป็นเรารู้เวทนาก็เป็นเวทนาของเราเรามีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ตัวเรามันก็จะทนไม่ไหวก็จะนั่งไม่ได้แต่ถ้าเราแยกออกว่ากายนี้ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่ง เมื่อเมืม่อกู้นี้ตอนที่เรานั่งใหม่ๆก็ไม่มีเวทนาอะไรกายก็ยังเป็นกายอยู่ทั้งนั้นขณะนี้มีเวทนาเกิดขึ้นแล้วกายก็ยังเป็นกายเหมือนเดิมอยู่กายก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมอยู่ก็ไม่เห็นจะต้องไปยุ่งอะไรกับกายใจผู้รู้เวทนาผู้รู้กายก็เป็นผู้รู้เฉยๆทั้งนั้นหามีตัวตนไม่ก็เป็นสภาวะธรรมด้วยกันทั้งสิ้น ถ้ารู้อย่างนี้เราแยกกันให้เป็นสัตว์เป็นส่วนกันไม่เอามาปนกันกลายเป็นเราเป็นร่างกายของเราเป็นเวทนาของเราเป็นใจของเราแล้วมันก็จะไม่มีการยึดติดไม่มีการยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของขาว กายก็ยังนั่งอยู่นั้นก็ปล่อยให้กายเขานั่งไปเวทนาเขาเป็นอย่างไรเขาแสดงอยู่อย่างไรก็ให้เขาแสดงไปใจผู้รับรู้ก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงอย่างนี้ถ้าใจเห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่าทั้งสามนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่คนละอันกันล้วนเป็นสภาวธรรมทั้งสิ้นล้วนที่ลล้วน ล, ล, ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถ ตั้งอยู่เป็นอยู่ของเขาได้ตามสภาพความเป็นจริงถ้าไม่มีความอยากความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสภาวธรรมทั้งสามนี้เขาก็จะเป็นของเขาไปอย่างนั้นก็าสามารถอยู่กันได้โดยไม่มีปัญหาอะไรกายก็ยังนั่งอยู่ได้เวทนาก็ยังแสดงอยู่ได้ใจผู้รู้ก็ยังรับรู้ได้อยู่ถ้าทําอย่างนี้แล้วก็จะปรากฏผลขึ้นมาได้สองลักษณะด้วยกัน ถ้าใจปล่อยวางเวทนาที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นก็จะดับหายไปเหลือแต่กายกับใจเท่านั้นหรือถ้าหรืออีกลักษณะหนึ่งของผลที่ปรากฏขึ้นมาใจปล่อยเวทนาปล่อยกายแต่เวทนาไม่ดับแต่เวทนานั้นไม่มาสร้างความราคาญใจให้กับใจเพราะใจไม่ไปสนใจใจตั้งอยู่ในอุเบกขาธรรม คือสงบนิ่งอยู่ในสภาพของตนทั้งสามสิ่งก็อยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีการเดือดร้อนกายกายก็นั่งอยู่เวทนานก็แสดงไปใจก็รอบรู้ไปนี่จะเกิดขึ้นได้เพราะต่อเมื่อเราศึกษาธรรมชาติเห น, นี้แล้วเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วว่าเป็นอย่างไรแล้วเราปฏิบัติให้เป็นไปตามความเป็นจริงคือปล่อยวางเขาไม่ไปยุ่งกับเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะมาเขาจะไปก็เป็นเรื่องของเขาแล้วในที่สุดมันก็จะไม่มีอะไรที่จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับใจเลยนี่แหละคือวิธีที่จะดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเดินนะ เดินตามแนวทางแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวงทั้งหลายได้ดำเนินนัาปฏิบัติมาแล้วนำแล้วนามาสั่งสอนพวกเราคือสอนให้พวกเรามีสติให้ดูที่ตัวของเราเป็นหลักอย่าไปสนใจภายนอกถ้าจะดูภายนอกก็ต้องไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งภายนอกดูแล้วอย่าไปชอบอย่าไปชังอย่าไปรักอย่าไปโกรธอย่าไปหลงอย่าไปกลัว ด, ดูแล้วก็ปล่อยวางตามความเป็นจริงของเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็หันกลับเข้ามาดูใจเราดูภายในของเราดูกายของเราดูเวทนาดูจิตดูธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจของเราแล้วก็ปล่อยเขาไปตามสภาพของเขา mm hmm. เขาจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับเรา mm hmm. ไม่มาเกี่ยวข้องกับเรา เพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันก็รู้กันทำความเข้าใจกันทำความรู้จักกันแล้วไม่ต้องไปเข้าขี้เจ้าการไปจัดการกับเขาปล่อยให้เขาเป็นไป <c oughs> ตามเรื่องของเขาถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตของเราแบบนี้ได้แล้วต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีผลอะไรกับเราอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะดับเราก็ไม่เดือดร้อน อะไรจะมาอะไรจะไปเราก็ไม่เดือดรอนเพราะเราสามารถดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่มีความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วใจของเราก็เป็นจิตใจที่ถึงจุดอิ่มจุดพอไม่มีความหิวไม่มีความกระหายไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปหาข้าวของเงินทอง หาบุคคลมาเ ป, เป็นสมบัติของตนเพราะในใจนั้นมีความอิ่มมีความพอแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวที่เหลืออยู่ก็คือดูแลรักษาอัตภาพร่างกายนี้จนกว่าร่างกายนี้จะถึงแก่วาระวาระสุดท้ายของเขาเท่านั้นเองก็มีเท่านี้แหละคือชีวิตของเราอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นมีคุณค่า สามารถสร้างความสุขความเจริญสร้างความพ้นทุกข์ให้กับเราได้สิ่งเหล่านั้นไม่มีความสามารถที่จะทำได้สิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ก็คือตัวเราเองนั่นเองคือนำคําสอนนำพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับเราแล้วทำให้จิตของเรานั้นหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆทั้งหมดในโลกนี้ ถ้าทําได้แล้วจิตก็หมดภาระจิตเป็นจิตที่เป็นอิสระเป็นจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นก็ขอฝากเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมการมาวัดเพื่อฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้รู้จักวิธีของการปฏิบัติแล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราเราไม่จําเป็นจะต้องมาอยู่วัดตลอดเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรม เพราะเราสามารถปฏิบัติทำได้ทุกแห่งทุกคนเพราะสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นอยู่กับตัวเราเสมอมก็คือกายกับใจเวทนาจิตธ<ำ>รรมเหล่านี้ล้วนอยู่กับเราอยู่แล้วเพียง<ม>แต่เราไม่มองเขาเราไม่ดูเขาเราไม่ศึกษาเขาเราเลยไม่เข้าใจเขา<ม>เวลาเขาปรากฏขึ้นมาเราก็เกิดความว้าวุ่นขุ่นงัวกับเขาไปนั่นเอง<ม>แต่ถ้าเราได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไป ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขมีความสงบมีความสบายมีความอิ่มมีความพอแล้วเราก็ไม่ต้องไปออกไปวุ่นวายหาเงินหาทองมาให้เสียเวลาเปล่าเพราะเงินทองนี้ก็ไม่